คนทำจะได้การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างปล่อยไว้ก่อนเอาเรื่องเราปฏิบัติเป็นเรื่องแรกเอาเรื่องเราที่สร้างเหตุนี่แหละถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้เราได้ทำแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผลมันไม่สงบเราก็ได้ทำทีนี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็นคนหานั่นแหละจะเห็นคนกินนั่นแหละจะอิ่มของแต่ละสิ่งละอย่างมันโกหกเราอยู่สิบครั้งให้มันรู้ก็ยังดีอยู่คนเก่ามาโกหกเรื่องเก่าถ้ารู้จักก็ดีอยู่มันนานเหลือเกินกว่าจะรู้มันพยายามมาหลอกลวงเราอยู่นี่ดังนั้น ถ้าจะปฏิบัติลากหิตตั้งศีลสมาธิปัญญาไว้ในใจของเราให้นึกถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลิกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกเสียการกระทาของเรานี่เองเป็นเหตุเกิดขึ้นในภพในชาติหนึ่งจริงๆเป็นคนซื่อสัตย์กระทาไปเถอะการปฏิบัตินั้นแม้ฉะนั้นเก้าอี้อยู่ที่ไหนก็ตามกาหนดได้ เรื้องแรกไม่ต้องกำหนดมากกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะว่าพุทธโธทำโมสังโคก็ได้แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อกำหนดให้มีความตั้งใจไว้ว่าการกำหนดลมนี้จะไม่บังคับถ้าเราจะลำบากกับลมหายใจแล้วยังไม่ถูกดูมันลมหายใจสั้นไปยาวไปค่อยไปแรงไปเดินลมไม่ถูกไม่สบาย แต่เมื่อใดลมออกก็สบายลมเข้าก็สบายจิตของเรารู้จักลมเข้ารู้จักลมออกนั่นแม่นแล้วถูกแล้วถ้าไม่แม่นมันยังหลงถ้ายังหลงก็หยุดกำหนดใหม่เวลากำหนดจิตอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือเกิดแสงสว่างเป็นประสาทราชวังขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวให้รู้จักมันให้ทำเรื่อยไป บางครั้งทําไปทําไปหมดลมก็มีหมดจริงจริงก็จะกลัวอีกไม่ต้องกลัวมันหมดแต่ความคิดของเราเท่านั้นเรื่องความละเอียดยังอยู่ไม่หมดถึงกาลสมัยแล้วมันฟื้นกลับขึ้นมาของมันเอง